อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ488หนึ่งพิษุตีเตียนสงที่มากทาไปด้วยความลำเอียงพระชอบลำเอียงพระชังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวว่าลาบที่สงให้แก่ภิกษุนั้นไปจะมีประโยชน์อะไรท่านได้ไปก็จะเอาไปทิ้งไม่ใช้สอยในทางที่ชอบสองิกษุวิกลจริตสภพิกษุต้นบัญญัติทัพพระสิกขาบทที่11จบ